ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งขณะปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมจากการชักชวนของคุณเอให้มาอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมเพราะว่าคุณเอนี่เปิดบ้านเอาไว้เป็นชมรมเพื่อจะเผยแผ่ธรรมะแล้วก็พบปะกับญาติธรรมผมก็มาอยู่ที่นี่ในช่วงประมาณปีพศ 2546้คุณเอชักชวนมาก็เพื่อจะให้มาช่วยในการเผยแพ่ธรรมะเพราะว่าที่ชมรมเพื่อคุณธรรมนี้มีรายการวิทยุแล้วก็มีการพบปะพูดคุยสนทนาธรรมกับญาติธรรมที่ต้องการจะมาสนทนาธรรมกันแล้วก็มีการผลิตสื่อในการเผยแพ่ธรรมะมีทั้งซีดีและหนังสือ แล้วก็บางครั้งก็ถูกรับเชิญไปพูดอย่างน้องสถานที่ผมมาอยู่ที่ชมรมแห่งนี้ผมได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าคุณเอนี่ดูแลเรื่องความสะดวกหาสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตของคนพิการมาให้มันก็เป็นการลำบากที่จะแสวงหาเครื่องมือสำหรับคนพิการแล้วก็ได้จ้างคนมาช่วยดูแล และตอนนี้ผมก็มีอาการป่วยไข้เจ็บไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งตับเป็นระยะสุดท้ายซึ่งมีความลําบากมากขึ้นกว่าตอนที่พี่กายถึงเราจะทํางานอะไรไม่ได้แต่ก็ยังได้พบปากกัลยาดีต่ำบ้างเป็นบางโอกาสแต่คุณเอกก็ต้องทํางานนักเพราะว่าต้องทำหน้าที่พาผมไปหาหมอ บางทีก็พาหมอมาหาผมแล้วก็หาจัดหายาที่จําเป็นสําหรับคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อุปกรณ์ต่างเครื่องใช้สําหรับคนพิการแล้วก็มีสภาพที่ป่วยไขยนะ้ครบครันะแล้วเวลามีญาติธรรมมาเยี่ยมเยียนกุณเอก็ช่วยรับรองแขกรับรองญาติธรรมนะที่มาเยี่ยมก็ลําบากกว่าตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมายถึง คนดูแลนะประเดียวโราลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนอาสาสมัครมาช่วยดูแลในระยะนี้ก็มีคนมาช่วยเหลือผมดูแลในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าผมไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เหมือนเดิมอีกแล้วในช่วงของตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ชุมลมก็ประมาณ12ปีผมไม่ได้อยู่ที่ชุมลมด้วยความ ถูกกดดันกับสิ่งใดเลยและไม่ได้อยู่แบบหวานอมขมกกินแต่พอยู่แบบสบายใจแล้วก็พอใจที่จะอยู่ต่อไปด้วยคุณเอ๋เนี่ยผมถือว่าเป็นสะพานบุญสำหรับผมให้เราได้ทำหน้าที่ไปแปรธรรมะเราได้เห็นคุณค่าและก็ความหมายของชีวิตก็ภาคภูมิใจในการที่ผมได้ทำหน้าที่นี้นั่นจึงขอขอบคุณคุณเอแล้วก็ญาติทันที่อยู่ในชมรมเพื่อนกุธรรมทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือผมด้วยดีตลอดมา